เรื่องพระติศเทระผู้อยู่ในเงื้อเขากับเทวดาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปราบพระติาเทระผู้อยู่ในเงื้อเขาได้ยินว่าพระเทระนั้นเรียนกรรมฐานแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นเงื้อเขาแห่งหนึ่งเป็นที่อันเนสนาสนะสปายะในขณะนั้นนั่นเอง จิตของท่านได้ถึงความเป็นธรรมชาติแน่แน่วแล้วท่านคิดว่าเมื่อเรามาอยู่ในที่นี้จะสามารถเพื่อให้กิจแห่งบรรพชิตสำเร็จได้เทวดาผู้สิ่งสถิตยอยู่ที่ธรรมคิดว่าภิกษุผู้มีศีลมาแล้วการที่เราอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุนี้ลาบากแล้วก็ภิกษุนี้จะอยู่ในที่นี้เส้นราตรีหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จะหลีกไป จึงพาบุตรทั้งหลายออกไปในวันรุ่งขึ้นพระเถระไปบินทบาทแต่เช้าตรู่ครั้งนั้นอุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วรักเพียงดังบุตรมีมนให้นั่งในเรือนให้ฉันแล้วอ้อนวอนให้อาศัยอยู่ที่ถ้ำนี้ตลอดสามเดือนท่านจึงรับด้วยคิดว่าอาศัยอุบาสิกานี้จะสามารถเพื่อทาการสลัดออกจากพกได้ ดังนี้แล้วได้กลับไปอย่างถ้ำนั้นเทวดาเห็นท่านกําลังเดินมาคิดว่าท่านคงจะไปในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อนืนนี้เมื่อเวลาประมาณกึ่งเดือนล่วงไปแล้วเทวดาก็คิดว่าภิกษุนี้เห็นจักอยู่ที่นี่จริงๆเราละบุตรน้อยคงลําบากที่ต้องออกไปอยู่นอกถ้าแลวเราก็ไม่อาจให้ท่านออกไปเสียได้ พลางคิดว่าสีลของท่านพลังพลาดบ้างหรือเปล่าครั้นตรวจดูด้วยทิปจักขู่ก็ยังไม่เห็นความพลังพลาดในสีลของท่านเป็นผู้มีสีนบริสุทธิ์ตั้งแต่อุปสมบทจึงคิดจะทำให้ท่านเสื่อมเสียดังนี้แล้วจึงเข้าไปสิงในร่างของบุตรคนใหญ่ของอุบาสิกาในสกุลอุปถาบบิดคอในตาเหลือกน้าลายไหลออกจากปาก แล้วทำเสียงกล่าวกับอุบาสิกานั้นว่าเราจับบุตรท่านไว้แล้วเราไม่ต้องการผลีกรรมแต่ท่านจงไปขอเอาชายเอมเครือคื อ, อยารักษาโรคจงไปขอกับพระเทระผู้เข้าถึงตระกูลของท่านและเอาชายเอมเครือนั้นทอดน้ำมันแล้วจงให้แก่บุตรนี้โดยวิธีนัดเถิดเมื่อทาอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยบุตรนี้อุบาสิกากล่าวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นบุตรนั่น ก็จงชิบหายหรือตายไปก็าตามเถิะฉันไม่อาจจะขอเชเอมเครือเอากับพระผู้เป็นเจ้าได้เทวดาจึงบอกว่าถ้าขอเชเอมเครือไม่ได้ก็จงบอกเพื่อใส่ผงหิงคุซึ่งเป็นยาผงลงในจมูกของบุตรนั้นอุบาสิกากล่าวว่าแม้อย่างนั้นก็ทำไม่ได้เช่นกันเทวดาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงเทน้าล้างเท้าของพระเทระนั้น ลงบนศีรษะของบุตรนี้ในที่นี้คือความประสงค์จะเอาน้ำล้างเท้านั้นทำเป็นยารักษาโรคพอถึงตรงนี้อุบาสิกาก็บอกว่าข้อนี้ฉันทำได้นิมนต์ให้พระเทระนั่งแล้วถวายพัตตาหารล้างเท้าของพระเทระรองเอาน้ำไว้แล้วเรียนให้ท่านทราบว่าจะเอาน้ำนี้ไปรดลงบนศีรษะเด็กพระเทระอนุญาตว่า จงรถเถิดเมื่อได้ทำอย่างนี้แล้วเทวดานั้นก็ได้ปล่อยเด็กนั้นได้กลับไปยืนอยู่ที่ประตูถา้าครั้นพระเถระเรศพัตตกิจเดินกลับเข้ามายัางถา้าเทวดากล่าวว่าพ่อหมอใหญ่ท่านอย่าเข้ามาในที่นี้พระเถระครั้นรู้ว่าเป็นเทวดาผู้สิงอยู่ในถาน้านี้ก็คิดว่า การทำเวชกรรมของเรานั้นมีอยู่หรือเปล่าดังนี้แล้วตรวจดูดจำเดิมตั้งแต่การอุปสมบทศีลของเราไม่เคยเศร้าหมองหรือด่างพร้อยจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เห็นว่าได้ทำเวชกรรมเลยทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้เทวดาจึงถามว่าก็วันเนี้ยท่านรดน้ำล้างเท้าแก่บุตรของอุปถาคนั้นหรือเปล่าตอบว่าได้รด ก็นั่นเป็นไรท่านไม่เห็นหรึพระเทรากล่าวว่าท่านกล่าวเพราะประสงค์เหตุ น, นั้นเนื้หรือเทวดาตอบว่าเป็นเช่นนั้นพระเทราคิดว่าโอ้หนอตนเราตั้งไว้ชอบแล้วเราประพฤติสมควรแก่ศาสนาแล้วจริงแม้เทวดาก็ไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยในจตุกบาริสุทธิ์ศีลของเรา เทวดานั้นได้เห็นแต่เพียงน้ำล้างเทา้าอนุเรารดล้าบนศีรษะของเด็กเท่านั้นข้อนี้เป็นการยืนยันว่าศีลของท่านบริสุทธิ์จริงเพราะแม้เทวดาก็ยังไม่เห็นข้ออื่นนอกจากการใช้น้ำรดศีรษะเด็กไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดวินัยละเมอศีลครั้งนั้นปิติมีกำลังเพราะปรารลบศีลที่บริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว ท่านคมปีติอันมีกำลังนั้นไว้แล้วไม่ทำแม้การยกเท้าขึ้นบรรลุพระอรหันต์ในที่นั้นนั่นเองแล้วกล่าวว่าท่านประทุสร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเราท่านอย่าอยู่ในชัดแห่งป่านี้จงออกไปซะเมื่อจะสอนเทวดาจึงเปล่งอุทานว่าการอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอท่านอย่าประทุสร้ายเราผู้ไม่มีมนทิน ผู้มีตบะบักผู้บริสุทธิ์แล้วท่านจงออกจากป่าใหญ่เสียเถิดพระเทระอยู่ในที่นั้นนั่นแหลตลอดไตรมาสออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระสัสดาพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราย่อมไม่โกรธเลยเพราะขึ้นชื่อว่าความเกี่ยวข้องด้วยข้ารือหัดหรือด้วยบรรพชิตทั้งหลาย ยอมไม่มีแก่บุตรของเรานั้นบุตรของเรานั่นไม่เกี่ยวข้องปรารถนาน้อยสันโดษดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยชนสองจำพวกคือคฤหัสหนึ่งบรรพชิตหนึ่งผู้ไม่มีอาลัยเที่ยวไปผู้ปรารถนาน้อยนั้นว่าเป็นพราม ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ